พระธรรมเทศนาแผ่นที่7จาลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่14กันยายน2557มีชื่อเรื่องว่าทิ้งขันในห้องคลอดแล้ววันนี้เป็นวันที่14 กันยายนพุทธศักราช2557จากนี้ไปก็อันนี้เป็นเดือนกันยาวันที่อีกไม่นานก็ออกพรรษาตุลาตุลาต้นๆก็ออกพรรษาแล้วปีนี้ก็กระถินของพวกเราก็อย่างที่ได้ขึ้นปายไว้ทางหลังวันที่12 ตุลาวันอาทิตย์ที่ส2องตุลาเป็นวันกระถินของพวกเราวันที่11ตุลาเป็นวันกระถินวัดป่าบ้านตาดพอเสร็จจากวัดป่าบ้านตาดแล้วก็ทุกปีที่ผ่านมาเพราะขณนศรัทธาญาติโยมหลายกลุ่มหลายหมู่หลายคณะตั้งแต่องค์หลวงตา ย, ยังมีชีวิตอยู่ศรัทธาญาติโยมก็ขึ้นมาทําบุญกับองค์หลวงตากระถินหลวงตา หลวงตาโดยมากหลงตาจะเอาเอาวันเสาร์พอวันอาทิตย์ท่านก็เปิดโอกาสให้ไปตามวัดต่างๆลูกศิษย์ลูกหาที่ขึ้นมาเพื่อไม่เสียเที่ยวกว่าอนจะ ก, าก่าจะขึ้นมาได้ก็ต้องเสียไปล่ำเวลาหาโอกาสพอลงไปไม่กี่วันก็กลับขึ้นมาอีกก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราหลวงวัดของเราจึงได้ทอดกรถิน วันที่12สศรัทธาญาติโยมกลุ่มใหญ่ก็ขึ้นมาที่วัดป่าบ้านตาดแล้วก็พอเสร็จที่นั่นแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปตามไปทำบุญตามวัดต่างๆสุดแท้แต่ใครจะมีศรัทธาวัดไหนเพราะนั้นวันที่12ที่เป็นศิษย์ยาวนิศของหลวงตาโดยมากจะชนกันนะไม่ว่าจะหลวงปู่ีหลวงปู่บุญมีหลวงปู่อุ่นและที่ ไหนที่เป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตาของวัดของหลวงพ่อโดยมากก็จะเป็นวันที่12บสอพอเปิดโอกาสให้คาถาทาญาติโยมที่เป็นศิษย์ของหลวงตาคือศิษย์กลุ่มเดียวกันแต่สุดแทแต่ใครจะไปวัดไหนวัดของเราก็เช่นเดียวกันไม่ต้องคิดว่าชนหรือไม่ชนกันก็เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะนั้นเราจึงจัดวันที่สิสอง แต่ว่ากรถินปีนี้ของเราวัดของเราเป็นกรถิ่นพิเศษเป็นกรินพิเศษพิเศษยังไงคือพิเศษคือปีนี้ก็ทางทูลกระหม่อมรื่องว่าพระองค์เจ้าที่เป็นลูกสาวของทูลกระหม่อมพ้อยหญิงท่านได้ขึ้นมาดูสถานที่ก่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเมื่อวันที่สสิงหาท่านก็เสด็จ กลับวันที่หสิงห า, าก็มีแนวโน้มว่าปีห้าแปดเนี่ยก็คงจะเริ่มลงมือสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาวันนั้นวัดของเราที่หลวงพ่อได้รับประกาศว่ า, าจะหาทุนร่วมสมทบสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ย เป็นเงินจำนวน50ล้านบาทที่หลวงพ่อได้ประกาศต่อหน้าฐานะกำนันประชาชนแต่หลวงพ่อคิดว่าก็ไม่ได้ไม่ได้หนักใจนะไม่ได้หนักใจแต่ถึงยังไงกระถินปีนี้น่ะหลวงพ่อจะเริ่มเริ่มเก็บถ้ามีมากน้อยขนาดไหนก็จะรวบรวมเพื่อจะสร้างพิพิธภัณฑ์เจดีขององค์หลวงตาปีนี้เริ่ม เพราะว่าการสร้างเจดีย์จะใช้เวลา3มปีนะสามปีแต่ตามที่จริงเขาก็บอกว่าเพียง30เดือนพิพิธภัณฑ์และเจดีย์จะใช้เวลา30เดือนแต่หลวงพ่อก็บอกว่าเอาเธอไม่ต้องว่า3เดือนไอ้สามเดือนเอาให้3ปีแล้วก็ก็แล้วกัน12 3สองสามสเดือนก็แล้วกันแถมไปให้อีก6เดือนคะอันนี้ก็คือ ที่หลวงพ่อได้โพดแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงอนนั้นก็ค่อยๆโพดกันอีกเพราะว่าเจดีอาจจะเปลี่ยนสถานที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้อันนี้เพียงแต่ว่าหลวงพ่อออกคำเก่ามาพูดแต่ถึงยังไงปีนี้เขาคิดว่าคงจะลงมือลงมือคิดว่าจะได้เริ่มเจดี JD พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาแต่วันที่27ที่ผ่านมาวันที่วันเกิดของหลวงพอ่อ พวกเราก็คงจะจําได้ที่หลวงพ่อประกาศที่สลาหลังนี่อ้าวที่พวกทาบ้านตาดไม่ขึ้นพวกเราจะสร้างพิพิธภัณฑ์ที่นาคําน้อยของเราถึงจะสร้างใหญ่สร้างเล็กก็ควรจะสร้างเป็นที่ระลึกขององค์หลวงตาพวกเราเห็นด้วยไหมพวกเรากดซ้ายทุยกมือเห็นด้วยอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่ในเมื่อวัดป่าบ้านตาดขึ้นนะ ท้เมื่อวัดป่าบัานตาดขึ้นพวกเราก็ควรจะให้ขึ้นที่บ้านพ่อบ้านปู่ของเราก่อนหลวงตา เ, เป็นหลวงปู่หลวงตาเป็นพ่อของเรา เ, เราก็ต้องให้ขึ้นจุดนั้นก่อนจนกว่าพอขึ้นมาแล้วจะตุปปัจจัยมันเพียงพ อ, เ, อเพียงพอไม่เดือดร้อน เ, อเราจึงค่อยจะมาสร้างที่วัดของเราวัดปานาขน้อยของเราก็ยังค่อยว่ากันต่อภายหลัง แต่รออีกก็คงไม่นานก็คงจะรู้ได้แล้วว่าเพียงปีเดียวเงินจะหลั่งไหลทะลักแล้วเข้าไปสร้างเจดีย์ขององค์หลวงตานั้นเป็นเท่าไหร่พวกเราก็ควรจะคงจะรู้ได้ละพอรู้ได้แล้วออเออที่หลวงพ่อประกาศไป5้าสิบล้านในเมื่อจุดนั้นพอแล้วเนี่ยเราอาจจะเอาเงินจุดนั้นมาสร้างที่วัดเราก็ได้ เนี่ยพอเหตุไรเพราเราก็จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเหมือนกันแต่ถ้าว่าปัจจัยไม่พออไม่พอไม่ว่าแต่ห้าสิบล้านนะ เ, เท่าไหร่มีเท่าไหร่เราจะทุ่มให้หมดให้ให้พอเนี่ยพอเหตุไรเพราะอันนั้นคือเจดีย์ของพอ่อหลวงตาของพวกเราควรจะเป็นอามิดฉบูชาบูชาพระคุณขององค์หลวงตาเนะพราะนั้นสิ่ง ทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็ขอเรียนและประกาศให้คณะสัทธาญาติโยมกลุ่มของเราได้รับรู้รับทราบหลวงพ่อเองมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่จะเชิดชูบูชาบัคคุณพระคุณก็โอ่งลงตาแต่หลวงพ่อเองก็ไม่ได้หนักใจน ะ, ะพูดท้งนี้ท้งนั้นบอกเลยเลยว่าหลวงพ่อไม่หนักใจใช่เมื่อพวกเราได้ยินแล้วก็พวกเราควรไม่ควรจะหนักใจด้วยนะ แต่มีศรัทธาเท่าไหร่เอามาร่วมสมทบกันเนี่ยหลวงพ่อยังทิ้งทวนอีกว่าเอถ้าไม่มีศรัทธาถ้าไม่อยากจะได้บุญไม่ต้องทําฮ่ไหมไมถึงพูดหลวงพอ่อถึงพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าบางคนนะเนี่ยพอได้ยินหลวงพ่อพูดมาแล้วก็ขว้างหูนัะนั้นนะหลวงพ่อเคยได้ยินเอพอได้ยินได้เห็นนะขว้างหูเนะ่ะพนั้นหลวงพ่อก็เลยพวกที่ควางหูอย่างนั้นละ่ะหลวงพ่อกับไอ้ทิ้งทวนเลย ถ้าไม่อยากจะได้บุญไม่ต้องเอามานะหลวงพ่อไม่อยากจะได้เหมือนการ น, นะคนที่ไม่อยากจะได้บุญถ้าใครอยากจะได้บุญอา้าวเอามาหลวงพ่อจะพยายาม เ, าเงินทุกบาททุกสตางค์จะเอาเข้าบัญชีทั้งหมดาจากนั้นก็งวดที่หนึ่งจ่ายเท่าไรอา้าวสมทบเข้าไปาแต่ถ้าว่าโอ้เงินของหลวงตาเงินกองกลางเยอะแล้ว เ, เหลือเฟือก็แล้วเออเอาองเรามดไปก่อนนะ พ อ, พอพวกเราก็คงจะสร้างของเราขึ้นมาแต่ที่ของเราเนี่ยพ300กว่าไร่เนี่ยเป็นโฉนดทั้งหมดเอาเลยเอาตรงไหนก็ได้ให้พวกเราเลือกได้เลยหลวงพ่อไม่ได้ว่าตรงนั้นตรงนี้พวกเราเป็นลูกหลานขององค์หลวงตาหลวงปติกันเลยชอบตรงไหนทําได้ทั้งหมดหลวงพ่อไม่ได้ห่วงไม่ได้ห้ามถึงจะเป็นเลือกุติหลวงพ่อสร้าง หลวงพ่อก็ให้สร้างเอาเลยเ อ, อหรือกุฏิหลวงพ่อสร้างเจดีย์ตรงนี้แหละที่เป็นที่เนอเนี่ยหลวงพ่อเอาตรงนี้เราเหมาะเลยหลวงพ่อก็จะรื้อกุฏิออกทันทีเลยเ อ, อพวกเราเอาตรงไหนหลวงพ่อให้ทั้งหมดภายในวัดของพวกเราเพื่อความเหมาะสมเพื่อความถูกต้องเพื่อเชิดชูบูชาขององค์หลวงตาหลวงตาท่านมีพระคุณขนาดไหนที่ท่านช่วยโลกมา พวกเราจะมาทะเลาะกันเพียงแค่นี้มันไม่น่าจะถูกต้องนะเมื่อวันพระก่อนหลวงพ่อก็ได้พูดเกี่ยวกับหลวงพ่อถแถลงการฝ้าหญิงแต่รู้สึกจะสั้นไปสักหน่อยแต่คราวนี้หลวงปหลวงพ่อเองบอกให้พระบอกว่าเออเอาถแถลงการของฟ้าหญิงออกก่อนและหลวงพ่อยังค่อยพูดทีหลังก็ได้คงจะชันอาหารคงจะไม่จบเพราะว่าคราวก่อนเนี่ยสั้นเกินไป แต่ขาวนี้เอาฝ้ายหญิงออกก่อนหนะลวงพ่อถแถลงการต่อภายหลังก็น่าจะเพียงพอนะปัญนให้ครูบาทั้งหลายเตรียมเตรียมไว้นะแล้วก็วันนี้เป็นวันเป็นวันอาทิตย์พวกเราได้ยินแต่เสียงฮือฮากันในช่วงนี้ที่พระท่านจะทิ้งขันแต่พ้นที่สุดท่านบอกว่าไม่ได้ทิ้งฮะแต่ตามไม่จริง อันนั้นเป็นเรื่องของท่านเนาะแต่ว่าเราเราทั้งหลายก็ควรจะรับรู้รับทราบในพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกหรือที่ท่านได้ตรัสเอาไว้เพื่อเรียนรู้เพื่อการศึกษาของพวกเราอย่างยกตัวอย่างอย่างภาษาริบุนะภาษารๅบรทิ้งธาตุขันทิ้งขันพระโมกคลาไม่ต้องว่าละพระโมกคลานี่คือโจรถูกโจรฆ่าโจรทบ เพราะกรรมของท่านกรรมเก่าของท่านที่เคยท่านเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่อันันตรายกรรมหามาา้าม า, าตุกฆาาฆ่ามารดาปิดุกฆ่าฆ่าบิดาเพราะนั้นมาในพบนี้ชาตินี้กรรมมันยังให้ผลอยู่กรรมของท่านกรรมหนักอันันตรายกรรมกรรมหนักท่านก็เลยถูกโยนฆ่าที่การสีลาในเขตแขวงกรุงราชคฤห์ สมัยนั้นก็คือพระเจ้าอาชาติสรจสตรูเป็นพระเจ้าแผ่นดินของกรุงปิบินพัตสืบทอดจากพระเจ้าพิมพิสารนะอันนี้ก็คือความเป็นมาของพระอัครสาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจานะ้าเนี่ยพวกเรานี่มองเห็นพระพุทธปฏิมาพระพุทธอุโรมอุมมงขนสองเนี่ยทางด้านขวาเนี่ยคือภาษาริบททางด้านซ้ายเนี่ยคือพระโมคคัลลานะนะ เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอัครสาวกสองพระองค์พระโมกคลาที่อยู่ด้านซ้ายพระหัตของพระพุทธเจ้าอันนี้ถูกโจนฆ่าถูกโจนทุบตายแต่พระสารีบุตรเนี่ยท่านปรินิพานในห้องประสูตย์ของมารดาของท่านทําไมพวกเราก็คงอยากจะทราบเหมือนกันเพราะท่านหลวงพ่อหรือพระสงฆ์ไม่พูดไม่เล่าให้ฟัง พวกเราคงจะรู้เอาเลยนะคงจะยากเพราะพระไตรปิฎกมีทั้งร้อยเล่มมีทั้ง45้าเล่มมีแต่เล่มหนาๆทั้งนั้นเลยเราจะไปนค้นศึกษาก็คงจะหาโอกาสหาเวลาได้ไดยากเพราะการครองชีพการเลี้ยงชีพของพวกเราก็ยากลําบากอยู่แล้วจะไปค้นพระไตรปิฎก อ, อ่านเข้าใจนะคงจะยากเพราะนั้นหลวงพ่อประเด็นไหน ที่พวกเขาพวกเราควรจะรู้ควรจะเรียนรู้ควรจะรับทราบหลวงพ่อก็ยกประเด็นนั้นมาให้พวกเราเพื่อศึกษาทาพอเราพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วแต่นี้นยังไม่มั่นใจก็ไปศึกษาได้หรือมาถามหลวงพ่อได้เอ ย, เอยที่หลวงพ่อโพสต์มาอยู่ในเล่มไหนตำราตรงไหนะหลวงพ่อก็จะบอกให้ทราบให้ศึกษาเรื่อง เ, อเรื่องภาษาลีบุตรนะหลวงพ่อก็จะอบอกเล่มให้ดูให้รู้เลยเลย พอหลวงพ่อได้อ่านได้ศึกษามาแล้วก็เออจะมีประโยชน์สำหรับคณะทาทญาติโยมโลูกหลานเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้การทิ้งธาตุขันของพระอรหันนี่ท่านทิ้งอย่างไงคือพระอักขสาวกข้างขวาคือท่านภาษาลีบุตรเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางด้านปัญญาสติปัญญาแล้วก็ไม่มีใครที่จะเหนือเหนือภาษารีบุตรไปได้นอกจากพระพุทธเจ้านะ พระพุทธเจ้าไม่ต้องว่าสยามภูรู้แจ้งโลกเหนือกว่าสาวกทั้งหลายแต่ถ้าหากว่าสาวกนั่นะก็ถ้าสาวกแล้วก็ยกให้ภาษารีบทแต่ผู้มีฤทธิ์อานาจมากผู้แสดงฤทธิ์ได้คือพระโมกคลาพระโมคคลาได้รับเอตัคขาจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในการแสดงฤทธิ์แสดงเดชคนหนึ่งเป็นร้อยคนหมื่นคนแสนคนหเหาะเฮิรเดินฟ้านี่ มอบให้โมกคลาโมกคลาเป็นผู้มีฤทธิ์มีอำนาจทางฤทธิ์ทางเดชแต่ภาษารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาเลิศนี่แนหะอันนี้เมื่อภาษารีบุตรกับพระโมคคลาพระโมคคลาท่านได้ปรินิพานด้วย อ, อุบัติเหตุคือโจรฆ่าแต่ภาษารีบุตรเนี่ยท่านยังอยู่เท่นี่พระพุทธเจ้ายังอยู่ ก่อนที่พระสารีบุตรจะปรินิพานท่านก็ดูอดีตชาติเนี่ยนะเพราะว่าท่านได้เป็นพระอรหันต์เตวิชโชสละเพญโยปฏิสัมพิทัพปัตโตเป็นผู้มีฤทธิ์อำนาจดูอดีตดูอนาคตดูปัจจุบันท่านก็มองดูอดีตของท่านเล้วว่าเออตามประเพณีตามประเพณีของพระพุทธศาสนาตามประเพณีของพระพุทธเจ้าเลย พระพุทธเจ้าจะปรินิพานก่อนพระอคะัครสาวกใช่ไหมเนี่ยภาษาริบุตรท่านมองอดีตมองอดีตของพระพุทธเจ้า ก, กับกุสันโท โ, ทโกนะคามโนกัตโปองค์ก่อนะท่านย้อนดูอพระอัครสาวกเนี่ยจะปรินิพานก่อนพระพุทธเจ้าใช่ไหมหรือวันหลังพระพุทธเจ้าท่านก็บอกย้อนไปดูอัครสาวกเนี่ย ต้องปรินิพานก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธพระอา卡สาวกต้องตายก่อนพูดง่ายๆพระพุทธเจ้าไปทีหลังอันนี้คือเป็นประเพณีมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าอ ง, งคก์ก่อนๆท่านก็บอกอูทายงั้นเราจะต้องพระพุทธอ ง, งค์จะปรินิพาน เ, เท่านั้น เ, เราควรจะไปก่อนฮะจากนั้นท่านก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระสาริบุตรนะทั้งที่ดีอยู่แน่เลย ท่านก็ท่านก็ไม่ได้ว่าท่านป่วยเจ็บไข้แล้วท่านก็ไม่มีนะอท่านก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าอพระพุทธเจ้าฆ่าฆ่าพระองค์ขอลาปรินิพานก่อนพระเจ้าฆ่านเพราะพระพองค์บอกพระพุทธองค์ก็รู้เนะี่ยดูในอดีตมาแล้วเนะี่ยพอเจนจบด้วยกันเออไปตามการอันควรของเธอเถอะนะสาลีบุตรพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้น ไปตามการอันควรของเธอนะสาริบุตรพระเจ้าข่าเนะี่ยพอเสร็จแล้วพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายน้องๆทั้งหลายสารีบุตรก่อนที่เธอจะปรินิพานเธอควรจะบอกบุปกรรมการบำเพ็ญ mm. ของท่านให้กับน้องๆ้องให้ท่านเาเหล่านั้นได้รู้ว่าท่านทำกรรมดีกรรม กรรมดีอันไหนไว้ท่านจึงได้เป็นพระอัครสาวกในครั้งนี้คราวนี้บอกให้ประกาศให้ทราบด้วยพระเจ้าข้าจากนั้นภาษาลิบูดก็กราบพระพุทธญาณโดยเบญจางคปเดชกราบพระเสร็จแล้วท่านก็ขอสแสดงฤทธ์เหาะขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงเท่าต้นต้นตาลฮงต้นตาลหนึ่งต้นแล้วก็กราบลมากราบอีกขึ้นไป ขึ้นกุ้นต้นตาลสองต้นจนถึงเจต้นจากนั้นภาษาริบุตรก็ประกาศธรรมบอกว่าข้าพเจ้าสาลิบุตรที่ได้เป็นพระอัครสาวกในคราวนี้ข้าพเจ้าบำเพ็ญคุณงามความดีมาดังนี้แต่นี่อะไท่านี่ท่านประกาศบุปผกรรมไม่ใช่ว่าปุปรับได้เป็นพระพพุทระอัครสาวกทีเดียวนะไม่ใช่นะท่านได้สร้างบารมีมาสมัยนั้น เ, นเนมื่อได้รับเเมื่อได้รับ พยากรณ์กับพระพุทธเจ้าองค์นั้นกับท่านโมกคลาเนี่ยโมกคลาเป็นเศรษฐีเราเป็นฤาษีอยู่ในป่ามีบริวารมากาพระพุทธเจ้าไปโปรดเร า, เ, าเราได้เห็นอัคราสาวกเราก็ตั้งความปรารถนาขอให้เป็นพระอัคราสาวกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเราก็ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าจากนั้นเราก็คิดเห็นเพื่อนของเราคือโมกคลา ที่เป็นเศรษฐีอยู่ในเมือง เ, อเราก็มาชวนสักส่วนเออเพื่อนเศรษฐีเราเป็นลือศีอยู่ในป่าแต่ว่าท่านเนี่เป็นเศรษฐีอยู่ในเมืองเราได้ปาถนาเป็นอัครสาวกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งแล้วนะในอนาคตเราเป็นข้างขวานะเธอรับเป็นข้างซ้ายดีโอ้ดีไงพระโมกคลาก็เลยจัดปลามขึ้นมาใหญ่แล้วก็กราบทูลพระพุทธเจ้ามาฉันในปลาม 7วันเออเวันเจดนั้นเลยถวายทุกอย่างจากนั้นก็ตั้งความปรารถนาขอให้ได้เป็นอั克拉สาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าเป็นคู่กับสาลีบุตรด้วยเทินพระองคก็ได้พระองค์พระพุทธเจ้าองค์นั้นท่านก็พยากรเออเนี่ยสาลบุตรจะได้เป็นอ克拉สาวกพระพุทธเจ้าโคตมะทางขวาด้านขวาแล้วก็ อันนี้ก็คือเสษฐีนีจะได้เป็นอัครสา ว, วกทางซ้ายของพระพุทธเจ้าโคตมะในอนาคตแต่ผู้มีฤทธิ์มากองนะสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากนี่แหละพระสารีบุตรก็ได้แสดงในอากาศพอเสร็จแล้วลงมากราบพระพุทธเจ้าพอเสร็จแล้วก็ข่าพระองค์ขอลาไปเมืองนาลันทา พระพุทองค์ก็บอกเออเอาไปเถอะภารีลบุตรจากนั้นก็พระสงฆ์ทั้งหลายตามลเลยนะเพราะว่าพรภาษาริบุตรจะปรินีปรนะนอมนตามไปเป็นโพลไปเลยเป็นหลายร้อยหลา ย, ลายพันองค์ไปสง่งเพราะพะาระษาลิบุตรก็เดินไปท่านจะไปทิ้งขันท่านเดินไปนะไม่ใช่ไม่ใช่หามไปนะเดินไปพอเดินไปไปถึงบ้านของท่านบ้านเกิดของท่าน คือมเมืองนะบ้านบ้านบ้านนาลันทานะออพอไปถึงท่นี่กัแม่ของท่านก็นยังอายนะุแต่แสดงว่าโอ้แม่ของท่า น, นอายุมากคงจะเป็นร้อยกว่าปีละมัง้งภาษาลิบบูดก็อายุมากแล้วนะเนี่ยทางพอเห็นแม่ท่านั้นะขึ้นไปหาไปบ้านแม่แม่โอ้ยลูก ơi, เอ้ย อ, อายุแก่ถึงขนาดนี้แล้วมองจค่อยมาหาสมบัติมาหาอยู่กับแม่คือแม่เนะี่ยเป็นคนเป็นเศรษฐีเนะี่ยขี่งกนะถือเงนินน่ยเป็นเรื่องใหญ่ สมบัติเป็นเรื่องใหญ่แต่ภาษาไรบูดเนี่ยเรื่องธรรมเป็นเรื่องใหญ่อพอมาเห็ น, นแม่ก็คิดถึงสมบัติเลยอายุแก่ถึงขนาดนี้จึงจะมาคิดมาอยู่คลองสมบัตินะลูกเลยเทางภาษาไรบูดก็ไม่พูดนิ่งแล้วก็ถามว่าจงแมอ่อัตมาข อ, อขอพักที่ห้องเกิดของอัตมาแม่ คลอดลูกทห้องไหนลนะแม่แม่เอออยู่ห้องนั้นและลูกก็คงเศรษฐีคลอดลูกก็คงจะเป็นห้องบักใหญ่เล้อเปล่ามาอัองเศรษฐีคลอดลูกนะจากนั้นก็แม่ก็เลยให้คนจัดห้องนั้นะห้องที่ท่านคลอดนั่นที่ท่านเกิดนั่นะห้องที่ท่านสาริบุตรเกิดนนในคาลือหาร์ดใหญ่นั่นแต่นั้นท่านก็เข้าไปนอนปูอาชนะพระสงฆ์ทั้งหลายตั้งหลายร้อยองค์ พอปูอาชนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะท่านก็ให้แม่ของท่านนั่งห่างๆอยู่ข้างห่างแล้วก็พระสงค์ก็ให้ยังไงก็ให้แม่ท่านเห็นเห็นสารีบุตรทื่นไปคราวในท่านไปโปรดแม่ของท่านพราแม่ของท่านเน่ยไม่เลื่อมใสนับถือพระพุทธศาสนาเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็โอ้ขวางหูขวางตาลักษณะอย่างนั้นอ่ะแต่ตอนนี้ภาษารืบุตรนี่ และลึกถึงพักคุณของมารดาถึงยังไงก็คือแม่ถึงยังไงเราจะสงเคราะห์เอาธรรมเข้าสู่ใจแม่ได้อย่างไรเราจะต้องสงเคราะหนะ์ตีนี้ท่านก็ไปนอนไปนอนอยู่ในห้องประสูตของโยมมารดาของท่านโยมมารดาของท่านก็มองเห็นอยู่ตลอดเวลาอัตมภ์ไม่สบายนะโยมมารดาพอไปถึงนอนที่นั่นแหะท่านก็ป่วยทันทีเลยนะ ป่วยคล้ายๆว่าลงแดงเลยนะ่ะถ่ายท้องเลยเี้นี่ยถ่ายถ่ายถ่ายจานเข้าจานออกพระสงฆ์ก่อนดูแล เ, เสร็จแล้วเนีอยพระสงฆ์ก็นั่งล้อมรอบพอตอนหัวค่ำเทวดาลงมามากราบเอนี้ยโอ้มาเทวดามากราบสวยมากเดินเข้าไปกราบภาษาลิบุตรพอกราบเสร็จแล้วโยมมันดาก็ถามเ่ยคงคงจะพอใกล้ๆถามเลลูก เมื่อกี้ในไข่ไขมากราบลูกล่ะภาษาเรีบยบบทเทวดาล่ะลูกเป็นใหญ่กว่าเทวดาใช่ไหมใช่อาตมานใหญ่กว่าสูงกว่าเทวดาเพราะเทวดายังมีกิเลสอยู่แต่อาตมานไม่มีกิเลสแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วไม่มาเกิดอีกแล้วเพราะฉะนั้นเทวดาจึงมากราบอาตมาพอจากนั้นมาพระอินทร์ลงมากราบเลสีเขียวสวยงามมากราบภาษารีบยบบท มากาบเสร็จแล้วถามถ่ายเสร็จแล้วพระอินก็ลากลับเอภาษาไรบุตรแม่พระท่านก็ถามว่าเมื่อกี้เนี่ยไข่ตัวหนุ่มผิวเขียวสวยงามมากกว่าเทวดานั่นเอกเป็นใครและลูกเลยนั่นแหะคือพระอินทนะโอ้ลูกเป็นใหญ่กว่าพระอินใช่ไหมวะใช่อาตมาเป็นใหญ่กว่าพระอินทบนสวรรค์โอ้เออแปลว่าทิฐิมานะที่ไม่เลื่อมใสมาก่อน่ะลดหมดเลยทีนี้ โอ้โหลูกของเราไม่ใช่ธรรมดาพอถึงเที่ยงคืนไปแล้วนี่พรมลงมาเลยพรมลงมากราบยิ่งผิวละเอียดอ่อนกว่าพระอินอีกสวยงามกว่าพระอินอีกนวลผิวเอฐานท่ติไม่ได้พรมลงมาจำแรงพรมจำแรงลงมากราบแม่ก็เลยถามอันนี้เป็ี่ยนใครลูกทําไมโอ้โหสวยสวยงามจริงๆพระสารีบุตรว่านี่พรมแม่เหรอพรมเอ้า พรมเนี่ยลูกเนี่ยเป็นใหญ่กว่าพรมใช่ไหมใช่พรมยังเวียนไหวตายเกิดอยู่อาตมาในเหนือกว่าพรมหยุดแล้วหยุดการเวียนไหวตายเกิดแล้วแม่โอ้โหคือพราหมณ์เขาทั้งหลายเขาถือว่าพรมเนี่ยเป็นต้นตระกูลของพรามณ์แต่นี่ภาษาไรโบต์เหนือกว่าพรมอีกเดี๋ยเนี้จะว่าอะไรเลยผู้แม่และไรหมดเออคล้ายๆว่าหมดทิฏฐิมานะ เลื่อมใสลูกเนี่ยจากนั้นภาษาเรียบรเห็นว่าหมดแม่เป็นสัมมาทิฐิขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านก็เลยเทศไตรลักษณ์อนิจังทุกขังอนัตตาร่างกายสังขารมันไม่เที่ยงนะโยมแม่น ะ, อ, ะอย่าไปยึดอย่าไปถือสิ่งไหนที่มันไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นม่ใช่ตัวตนของเราควรจะปล่อยวางไม่ควรจะยึดมัน่นถือมั่นนะ้ำแม่นะภาษาแม่ของภาษารีบุตรก็เลยเกิดความเคารเลื่อมใสเข้าใจในธรรม ได้สำเร็จพระโสดาบันพอได้สำเร็จพระโสดาบันเสร็จแล้วโอ้ภาษาริบุตรก็โล่งใจเราได้โปรดรมรรคผานดาถึงพระโสดาบันแล้วเป็นผู้ไม่ตกต่ำแล้วตอนน่อไปโยมแม่ของเราไม่ตกต่ำแล้วมิแตจะเดินขึ้นไปสู่มรรคสู่ผลเป็นพระอริยะบุคคลแล้วเป็นพระโสดาบันแล้วหายห่วงแล้วเราจากนั้นภาษาลิบุตรท่านก็เลย มองตัวของท่านเองท่านก็ทิ้งขันเลย้ท่านก็ปรินิพานอยู่ในห้องคอดของมารดามองมารดาของท่านนะปรินิพานที่นั่นจากนั้นก็ได้ประชุมพระราตถาประชุมเพลิงถวายพระเพลิงท่านอันนี้ก็คือการละสังขารหรือการละขันของพระสารีบรในตำราแต่ถ้าได้มาพูดเกี่ยวกับ โยมแม่ของท่านสารีบุตรเ อ, อพระษาไรโบรไม่ใช่ธรรมดามีพี่น้องวกันเจ็ดคนแต่ว่าแม่ไม่เลื่อมใสเลยเพราะสาริบุตรเป็นลูกชายคนโต อ, อบอกว่าเมื่อท่านได้บวชแล้วได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เป็นอัครสาวกแล้วนะน้องเจิงน้องชายที่จะบวช ท, ท่านบอกว่าพระสงฆ์ทั้งหลายถ้าเห็นน้องของผม อยากจะบวชปฏิบัติธรรมให้พวกท่านบวชได้เลยนะเพราะว่าแม่ของผมเป็นมิจฉาทิฏฐิจะให้อนุญาตให้แม่ให้บวชเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ผมจะเป็นผู้ทาหน้าที่แทนแม่ก็แล้วกันแม่ธรรมะอันนั้นแม่บังเกิดก้าวอันนี้ผมแม่ธรรมะผมอนุญาตให้เป็นแทนแม่ก็แล้วกันพวกท่านทั้งหลายเห็นน้องของผมที่จะบวชบวชให้บวชได้เลยนะ ท่านจะบวชที่ไหนจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายได้รับคำสั่งจากท่านสารีบุตรน้องชายก็บวชน้องหญิงก็บวชน้องสุดท้ายคือพระเลวตะขอบวชพ่อเห็นแก่พระสารีบุตรเป็นผู้สั่งฮะนี่แหละอันนี้คือท่านสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาที่ว่าเป็ น, เ ป, นเป็นพ่อเป็นแม่รรมะให้กับน้องๆแต่จะขออนุญาตให้แม่อนุญาตคงเป็นไปไม่ได้ ท่านท่านเป็นพ่อเป็นแม่ธรรมะให้เองอบวชได้เลยนะนี่นแหละอันนั้นก็คือคนหนึ่งก็มองทางโลกแม่ก็มองทางโลกท่านสารีบุตรก็มองท่านเป็นธรรมฮะจากนั้นท่านสารีบุตรเนี่ยก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันในบ้านเพื่อจะไปโปรดแม่ข่าวก่อนๆเนนะ่ะพอไปพพระสงฆ์ทั้งหลายสี่ห้าร้อยองค์เนี่ยไปฉันในเครือหาด บ้านเศรษฐีนะพราะแม่ของท่านเป็นเศรษฐีแปดสิบโกดโมฆะลาเกษฐีเหมือนกันเป็นสองตระกูลเศรษฐีเพราะนั้เนะเวลาไปฉันแม่ของภาษาเลบุตรเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยขวางตาเลยนะเนี่ยคนไม่ถูกกันมันเป็นอย่างนั้นนะศรัท ธ, ธาญาติโยมคนไม่ถูกกันเนี่ยจะไปจะไปจับไปเจราจากันว่างั้นแตอไปคุยกันไม่ได้ ขนาดคนทั้งหลายเห็นพระพุทธเจ้าเนี่เกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสอย่างมากแต่แม่ภาษาเลบุตรเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่อยากจะทําบุญเออใครๆบอาคนทั้งหลายจะถวายของก็ต้องถวายพระพุทธเจ้าใช่ไหมดังพวกเราเป็นลูกศิษย์ ล, ลุงตาเนี่ยถ้าจะถวายถวายของจะถวายกับองค์หลวงตาใช่ไหมอันนี้ไม่เขาถวายองค์รองแม่ภาษาเลบุตรเยถวายองค์รองไม่ถวายพระพุทธเจ้าพอเนี่ยเระนะสร็จแล้วพวกเราก็ อให้สินให้พรอแต่แล้วก็กลับมาพระสงฆ์ทางหลายก็แปลกใจเออพระสงฆ์ทางหลายสังเกตใช่นไะหอแม่ของภาษารรบุตรแม่ของพระอัครสาวกเนี่ทําไหมเออใครๆก็อยากจะทําบุญกับพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละแต่แม่ภาษาไรบุตร่ไม่เอาทําบุญกับองค์อื่นแปลว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่ในสายตาเลยเออเป็นยังไงเนอทําไมเป็นอย่างนี้เนี่ยพระสงฆ์ทางหลายสงสัย อพรวกรองบอกว่าอพวกท่านทั้งหลายอย่าแปลกใจเอแม่สาเลบุตรเนี่ยกับเราไม่ไม่ถูกกันในอดีตชาติมาแล้วเอเขาไม่ศรัทธากับเรามาแล้วในอดีตชาติสมัยไหนพระเจ้าค่าเน่ยพระพุทธองค์ถามอพระสงฆ์ถามนะสมัยไหนพระเจาา้าค่ะสมัยหนึ่งเราเป็นเราเป็นชนเป็นคนบ้านนอกเป็นคนชนนบท เขาจะต้องทําไร่ทำนาทารัว้วทําสวนเราก็เป็นคนหนึ่งข้าวนั้นนะเราไปเป็นชาวบ้านพอตกหน้าแลนะ้งเราก็ไปถางถางป่านะถางป่าเพื่อจะปลูกพวกข้าวโพดพวกอะไรพวกเครื่องไร่เครื่องสวนนะเราก็ไปถางป่าพอไปถางป่าแล้วก็แต่ว่ามีหมาตัวนึง้งมีหมาอยู่ในบ้าน มันไปที่ไหนมันก็ไปด้วยหมาตัวนี้นะ่ะเหมาตัวเมียนะะไปที่ไหนก็หมาไปด้วยทุกครั้งแต่นี้ก็เลยในใจก็บเขาว่าไอ้นีนะ่มันไม่มีเมียมันไปที่ไหนมันเอาหมาเป็นเมียนะแตทีนี้ก็จะไล่หมาตัวนั้นหนีมันก็ไล่ไม่ไม่ไปมันไม่ไปไหนพอไล่เขไปก็มองหนะ้าสิจแล้วเราเดินไปนก็เดินไปเ อ, อเสร็จแล้วก็พอไปไปถางปา่าเลย พอไปทางทางทางทางทางทางป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเ อ, อมากระตอนเที่ยงมากินข้าวหม า, ามันก็นั่งเฝ้ามันก็หิวเหมือนกันใช่ไหมมันก็หิวยุ่งกันหมาตัวเมียเนี่ยนั่งเฝ้าแต่นี่มันโกรธให้หมาเลยไอ้หนุบเนี่ยโลรธให้หมากูลาคาญกับมึงเนี่ยไม่อยากจะเห็นไล่ไกันเท่านั้นจะตีก็เท่านี้กูไม่ให้หัวมันกินแล้วหมาเนี่ยว่าก็เลยเอาเอาไอ้ข้าวเนี่ย ไอ่ข้าวที่มันเหลือตัวเองกินนะที่จะให้หมากินนะไม่ให้หมากินบ่เนี่ยเอาไปแขวนไว้ในในต้นไม้แขวนไว้ต้นไม้ที่หมาหมาก็มองโขรเห็นอยู่งั่นแหละเออมันก็มันก็หิวใช่ไหมแต่ไม่ให้มันกินเอ่พอเองตัวก็ไปทางป่าต่อไปเสร็จแล้วก็กลับมาหมาก็ตามหลังมาแอ้วันนุ่งขึ้นมากับไปเอกไปก็ไปแขวนไว้อย่างเก่า น, นั่นะเออหมาก็มองเฝ่ไอ กล่องห่อข้าวโดนกันแตเห็นอยู่ แ, แต่ที่เจ้าอเจนี้ไม่ให้กิน่นเางือนันนะนั่นแหละเราทํากับหมาตัวนั้นแหละนี่แหละหมาตัวนั้นแหละมาเกิดเป็นแม่สารีบุตรเพราะนั้นเห็นเราทีไรความผูกในใจของเขาในอดีตชาตินะ่ยมันขวางมันมันไม่เป็นมิตรกับเราไม่ศรัทธากับเราไม่เลื่อมใสกับเราเพราะนั้นกรรมตัวนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าแปลกใจเพราะนั้นเน่ย พวกเราท่านทั้งหลายนะถ้าเห็นใครก็ตามถ้าเห็นการพูดกันไม่รู้เรื่องเนะีย่ยจะไปเสียใจจะไปโกรธให้เขานะอาะฉนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าใว่ากรรมชั่วอย่าทำเสโลดีกว่าเพราะกรรมชั่วเราคิดเราทำลงไปแล้วกรรมชั่วนั้นจะให้ผลตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะจตทายญญาจโยมนะวันนี้ได้พูดเกี่ยวกับการปรินิพานของพระสารีบุตอรอ克拉สาวกของพระพุทธเจ้าทางด้านขวาให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาต่อเ น, นี้ไปพระสงฆ์เจาหนุโมธนาให้พร